ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้คองทั้งหลายแต่รูปปติยานกำมังขยายองค์ธรรมในปฏิจจสุบาทออกไปตามนัยยะที่พระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้เพื่อให้เข้าใจองค์ธรรมเหล่านี้ชัดเจนในแต่ละข้อองค์ธรรมเหล่านี้เราจะพบบนเส้นทางนี้ตลอดระยะเวลา มันเป็นตัวหลักธรรมสําคัญเราจะเรียกว่าปฏิจจสมบาทบ้างเรียกว่าปัจจัยการบ้างเรียกอิทัปปัจจยาตั้บ้างเรียกว่าตะตะ ต, าตาบ้างาอะไรแต่ละก็แล้วแต่คือเป็นสิ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาลองนึกดูเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วในพิจารณาอยู่ตั้งเจ็ดวันนะเจ็ดสัปดาห์ไม่ใช่เจ็ดวัน แต่ใต้ต้นปรสสีมาโพนี่พิจารณากรไปกระปาโดยโนรโมปฏิโรมเนี่ยตลอดระยะเวลาเพราะงนันการศึกษาการํำความเข้าใจในเรื่องนี้เราเข้าใจได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราเพราะว่าเวลาเราศึกษาธรรมะในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเราก็จะเจอ องธรรมเราเนี่ยปรากฏอยู่ในที่ต่างๆอาจจะมีชื่ออย่างอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจถึงสภาวธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะโยงมาได้ว่าเออสิ่งนั้นคืออย่างนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นอย่างวิชาเนี่ยเราจะเห็นว่าแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นกลุ่มของกิเลสอาจจะนับกิเลสเป็นกิเลสพันห้าตนหาร้อยแปดก็ได้แต่พอสาวลงมาถึงข้างล่างแล้วก็จะมาเจอรากใหญ่ก็คือวิชา แต่ว่าแตกกิ่งก้านสาขาอย่างไงก็ได้นะฮะแบบต้นไม้ต้นหนึ่งนี่มันแตกใหญ่โตอย่างไงก็ตามแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็มาจากรากเดียวกันวันก่อนได้พูดถึงกรอบของนาวิชาในลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะกิจรสปฏิปทานต่อไปก็จะพูดถึงสังขารสังขารที่พระตถาจารย์ท่านอธิบาย สังขารในพระบาลีนั้นเป็นการพูดถึงกายจะสังขารวจีสังขารจิตตสังขากรกายจะสังขารคือลมหายใจเข้าออกวจีสังขารคือวิตกวิจารแล้วก็จิตตสังขารคือสัญญาเวทนาแต่ในระดับอัตถกถาก็ที่จริงก็เชื่อมต่อกันนะนะเปลี่นยนแต่ว่าท่านย้อนกลับมาที่ตัวเหตุที่ให้เกิดสังขารเหล่านั้น คือแสดงเรื่องของบุญเรียกว่ า, าพิสังขารสามหรือบางทีเราก็เรียกว่าสังขารสามก็ได้แก่ปุญญาพิสังขานะพิสังขารคือบุญได้แก่กุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นแล้วก็นำคนไปสู่ภพชาติที่หยาบกลางประนีขึ้นไปโดยลำดับ ก็เรียกว่ากามาวัาจรักกุศลแล้วก็รูปาวัาจะระ ก, กุศลคือกุศลระดับที่นําคนให้ท่องเที่ยวอยู่ในกามาวัาจะระภูมิอย่า ก, กลางละเอียดในส่วนตัวเขานะฮะแล้วก็ย่อยออกไปจะหน่วยเล็กๆด้วยก็บังเกิดเป็นในอบายสี่ความกุศลมันน้อยมากๆอะกุศลเลยเยอะกว่า เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ทั้งหกชั้นรูปปาวจัจลกุศลก็เป็นตัวเหตุให้สร้างปฏิสนธิวิญญาณไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยแรงของชานทั้งสี่ประการก็บังเกิดในพรหมโลกเท่าไหร่ล่ะสิบเอ็ดชั้นแล้วก็ เนรชาพิสังขาร น, นะพิสังขารคือนเนญชาก็ได้แก่อรูปฌานทั้งสี่ประการเป็นอาูปวาวจร ก, กุสลสร้างเป็นรูปของจิตวิญญาณให้ไปปฏิสนธิเป็นอรู ป, ประพม์สี่ประเภทนะปัญญาพิสังขารก็คือปรุงแต่งให้เกิดบาป ตัวนี้ก็อยู่ในประเภทกามาวจร ะ, ะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นอกุศลแน่แ น, นอนพวกนี้เป็นพวกนำไปสู่บายแต่บาเองก็เรียกเป็นกามาวิ จ, จกุศนนะฮะหมายความว่าบุญมันมีน้อยอะปริมาณบาปมากเราก็เห็น้อาการของบาป จะไม่เห็นอาการของบุญแต่ไม่ใช่ถึงเขาไม่มีบุญเลยนะฮะบุญก็มีอยู่อ่ะงเดียแต่ว่าปริมาณน้อยคล้ายๆกับ น, น้ําใสนี่ยมันมีนอยู่ในน้ําขุนนั่นเองแต่พอดีไอ้พวกตะกอนอะไรมันมากเราก็เลยไม่เห็นน้ําใสแต่เมื่อเอาตะกอนออกมันก็น้ําใสก็อยู่ทีนี้การปรุงแต่งของอนเดนชาคือความไม่หวั่นไหวเนี่ยเตียวเรียกว่ารูปะวจรกุศล สังขารทั้งสองหมวดนี้ความก็ลงกันคือเป็นแต่ประเภทแรกกล่าวถึงกิริยาที่กระทาและประเภทหลังกล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำตางกายวิจาใจซึ่งจะต้องออกมาเป็นบุญเป็นบาปแล้วก็เป็นอเนนชาทีนี้สังขารประเภท้นะประเภทผลเนี่ยประเภทที่เรียกว่าลมหายใจเข้าออกวิตรกวิจาร แล้วก็สัญญาเวทานานั้นที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบุญบาปที่เป็นสร้างปัจจิณทิวิญญาณเป็นนามารุกขึ้นนะเป็นนายาตนาขึ้นมานะฮพวกนั้นก็ออกมาก็สรุปว่าเราพูดตอนไหนตอนใด ต, ตอนหนึ่งก็ได้เออทีนี้จิตสังขารเนี่ยมันจึงเป็นทั้งบุญแล้วก็เป็นทั้งอนเนจชา เป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งอนเลนชาเพราะสิ่งที่เราปรุงแต่งจิตคือสัญญาเวทนาเนี่ยมันก็เป็นอาการได้ทั้งของบุญและของบาปแต่เขาที่จริงเขาเป็นกลางๆ น, น, นะฮะหมายความมาบาปก็ได้บุญก็ได้มาปรุงแต่งเขาคือเราจำเรื่องเราจำในเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องความสงบของจิตก็มีก็แล้วแต่เวทนาแต่เราสเสวยก็เหมือนกัน น, นะะ ทุกเวทนาก็มีอทุกกรมสุ ข, ขเวทนาก็ดีมีสุ ข, ขเวทนาก็ดีโสมนัตก็มีอะไรต่ออะไรก็สุขในฌานสุขในสมาบัติสุขในสมาธิก็มีแต่ว่าเขานั้นเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นเพราะเป็นกลางกลางเนี่ยเขาจึงเป็นได้ทั้งสามอย่างคล้ายๆกับ น, น้ําเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปมันก็มีได้ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งรูปโดยสิ่งอื่นเข้าไปปรุงแต่ง คือทําให้น้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปอนเนจรชาท่านจันท่านท่านจึงแปลว่าไม่หวั่นไหวดังนั้นได้สังขารเนี่ยจึงได้แก่เจตนาเจตสิกอันเป็นกุศลอกุศลและเจตนากุศลก็ได้กุศลก็ได้นะออกมาเป็นรูปเจตนาหน้าที่ขวนขวายเพื่อให้นามารูปปฏิสนเป็นลักษณะหมายความว่าบุญบาปอนเนจรชาเนี่ย มันทำหน้าที่สร้างปฏิสนธิวิน ญ, ญาณร่วมกับอวิชาแล้วก็นําไปบังเกิดแต่ตอนนี้ที่จริงถ้าพวกอพวกบุญพวกเนรชาเนี่ยก็แสดงว่าอวิชาก็จางลงไปเยอะนะครับพบชาติมันปุ่จิตมันประ น, นีดขึ้นภูม่มธรรมสูงขึ้นภูมิจิตประณีดขึ้นพบที่จิตเปิบัติก็จะประนีดขึ้นเพราะ น, นั้นยังบอกว่าหน้าที่ก็ขวนขวายเพื่อนำมารูปปฏิสนธิเป็นลักษณะ ไปจนที่ที่ไหนล่ะไปะจนที่ตามกรรมอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองประบองเห็นว่าตนได้ทําบุญเอาไว้นั้นก็แสดงว่าบุญเนี่ยมันเป็นธรรมหน้าที่ควรขวายให้นามารูปไปถือไปจิตสนที ก็ที่จริงตัวไปเนี่ยะมันเป็นนาม น, นะฮะเป็นนามเวลาทรงแสดงในแนวของการไปสนที่ของชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็แสดงองค์ประกอบไวปว่ามารดาบิดาร่วมกันมารดามีระดูมาดามีระดูนะฮะบิดามารดาบิดาร่วมกันและคันทพโภุปทิตโต เพราะในคำขันทพโภยอย่างเนี้ยมันเป็นที่เป็นผลรวมของวิชาสังขารแล้วก็วิญญาณ น, นานๆจะเจอนะฮะเจอในมาหาตนาสังกงนะยาสูตรก็จริงๆก็คือเป็นส่นที่วิญญาณวิญญาณที่ไปถือปฏิสนธิเพียงแต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างกันแล้วมีการแสดงออกมาทางกายวาจาใจเป็นผลที่ปรากฏหมายความอาการของอะไรล่ะ อาการของบาปอาการของบุญอาการของอนเนชาเนี่ยมันแสดงทําปฏิกิริยากับจิตแต่แสดงให้เห็นทางกายนะพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดดีคิดดีทดําดีมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบเนี่ยใจยสงบเราไม่เห็นนะ่ะแต่ใจคนอื่นนะแต่ถ้าของเราเนี่เราเห็นเราก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอาการของอะไร บางครั้งจิตมันขุ่นชอบกลเอ๊ะทำไมจิตมันขุนมันก็ต้องศึกษาตรวจสอบที่จิตเราเองเมื่อที่จิตมันผ่องใสมันแช่มชื่นมันเบิกบานเออทําไมจิตจึงแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็มีการตรวจสอบดูที่จิตเองแล้วก็ตัวเป็นเหตุให้เกิดสังขารเนี่ยคื อ, อวิชาอาวิชาเป็นเหตุใกล้ให้เกิด อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขาร น, นปัจจัยเกิดปิญญาณก็เป็นปัจจัยต้องการละกันนะฮะก็แล้วแต่ไอ้ น, นี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าสังขารมันก็หมายทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ทั้งอารูปวิชามันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตได้เป็นภูมิจิตแล้วก็เป็นภพที่จิตจะไปถือไปสนที่ตามการปรุงแต่งของเขา อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากมังสเตวิพัชติยดีดังีนับปณิตตตายะกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวแล้วก็ประนีแตกต่างกันชนิ้ประการต่อไปนั้นคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยที่บอกไว้นะะว่าที่วันก่อนที่พูดไว้เนี่ยเราพูดถึงวิญญาณหก คือจักวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูขานาะวิญญาณความรู้ทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจแต่ว่าในแง่ของภาวจัตถ์เนี่ยท่านจะเน้นไปที่ปฏิวิญญาณซึ่งทําหน้าที่ปฏิสนธิในกําเนิดอะไรล่ะในครันก็ได้ในไข่ก็ได้ในของสกป ร, ปรกก็ได้แล้วก็เกิดโดยขุดขึ้นก็ได้ท่านเรียกว่า ปฏิสนธิวิญญาณหรือบางทีเรียกว่าไปดิวัติวิญญาณวิญญาณที่เป็นไปลักษณะของเขาก็คือการรู้อารมณ์เป็นลักษณะหมายความว่าตัวจิตเนี่ยที่จริงก็คือจิตนะนะรู้อารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสเป็นลักษณะรู้อารมณ์ที่จิตเป็นเหนียวนึกึกนึกขึ้นเองเป็นลักษณะแล้วก็ตลอดถึงรู้อารมณ์ที่ ก่อนจะดับจิตด้วยตอนนี้ก็จะทำหน้าที่รู้มีการไปถึงก่อนหมายความว่าอะไรก็ตามจิตเนี่ยเขาไปเร็วะจะพูดเรื่องอะไรจะคิดเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรจิตไปแล้วไปนานแล้วปรุงแต่งกันหยดยอยแล้วทีนี้แม้ในการปฏิสนธิเนี่ยเราจะเห็นว่าการไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมันเปไปในานามาทา ไปในฐานะเป็นนามธรรมไม่ใช่ไปในฐานะเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็ไปอาศัยในในโลกก็แค่ร่างกายเราเนี่ยเรามาจากไหนเราไม่รู้เราจะไปไหนเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราอาศัยร่างกายแต่ตอนตายเราก็เป็นดเอะไรไปเลยก็แสดงว่าเราก็ไปเฉพาะกลุ่มของเนี้ยกลุ่มของอวิชชาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ไปก็ถือไปฏิสนธิไปลักษณะที่ตายปับปบนะยป๊บเกิดปุ๊บนะฮะตายปั๊บเกิดปุ๊บไปเลย ตามสมควรแก่ภพภูมิของบุคคลเหล่านั้นเพรดังนั้นจึงเป็นประธานแห่งจิตและกรรมรูปเป็นหน้าที่หน้าที่ของเขาก็คือเป็นประธานของเจตสิกและกรรมตลอดถึงการสร้างรูปที่เรเรียกว่ากรรมมัชยรูปคือรูปที่สร้างกรรม รูปร่างหน้าตาของคนจไม่เหมือนกันที่สาคัญอย่างยิ่งกรคือคนพ่อแม่เดียวกันเนี่ยสวยงามไม่เหมือนกันหล่อไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันอักษณนิสัยไม่เหมือนกันแล้วเขาในฐานะที่เขาเป็นไปส่นที่วิญญาณเนี่ยคือไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างภพนี้กับภพหบน้าชาตินี้กับชาติหน้าจะมีการอธิบายว่าคนที่กำลังจะตายเนี่ย ลืมตาก็เห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นโลกนั้หมายความว่าจิตมันครอมอยู่ในสองพบแล้วก็มีสังขารสังขารก็คืออะไรก็คือเนี่ยคือบุญคือบาปคือเนนชานี่ยเป็นเหตุการให้เกิดแต่ก่อนจะดับจิตนี่มันเป็นอะไรอะไรขึ้นมาปรุงจิตละ่ะล้วก็แล้วแต่เพราะในกระบวนการตรงนี้ท่านบอกว่าเมื่อจะตายในสังขารทาหน้าที่เป็นชนกกรรม แต่ว่าไม่รู้อะไรนะคือบาปบุญหรืออนเนชาแต่ที่ลงตัวเนี่ยพวกอนเนชาก็ลงตัวนะเกิดมภาความมาถ้าท่านตายด้วยรูปประชานข้อใดข้อหนึ่งถ้าก็บังเกิดตามกําลังของนั้นหรือว่าพวกรูปประชานก็เหมือนกันพวกนี้เป็นชนกรกรรมที่ชัดเจนเช่นสมมติว่านายกเจริญกรรมฐานบรรลุรูปประชานชั้นละเอียดก็บังเกิดเป็นหมาพรมเหมือนลงตัวเลย ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นขลุกรรมบขวายกุศลที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าระดับล่างแล้วนี่อนิยายไม่ค่อยได้แลนดเรยจึงบอกว่าพวกนี้มันจะปรากฏในรูปของกรร ม, มารมคือสิ่งที่เรากระทำนะฮะ เช่นเราทำดีทำชั่วก็ไม่รู้นะเจนว่าตกเบ็ดอะไรก็ได้ทำบุญตักบาตรก็ได้ไหวพระสวดมนก็ได้เดินกรรมาฐานก็ได้กวาดวัดก็ได้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะปรากฏภายในจิตแต่เราเห็นคนเดียวนะฮะเรารู้คนเดียวแล้วเสร็จแล้วกรรมเหล่านั้นน่ะมันจะเกาะติดจิตอยู่เขาเรียกกรรมมนิมิตพอเปิดเกิดเป็นกรรมมณิมิตแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกคตินิมิตคือเราจะเห็นพบภูมิที่เราจะไป ะวันก่อนที่ไปรถน้ำหลวงพอ่อวัดด้าประดิษฐ์สมเด็จประมาณบีระวงก็มาคุยกันเห็นตรงกันพอไม่กี่วันเราก็ประชุมที่วัดเราก็คุยกันบอกเอกหลวงพ่อเมือนก็นอนหลับนอนยิ้มนะฮะนอนเหมืนมนอ น, มนกันยิ้มนอนเหมือนกันหลับแล้วหน้าตาไม่มีร่องรอยของคนตายผิวพรรณยังสวยงามผ่องใสเป็นเรื่องนะที่น่าทึ่งแสดงว่านิมิต ด, ดีมากนะฮะ ก่อนจะดับเนี่ยนิมิตของดีมากทีนี้พวกนี้ก็จะไปตามสมควรแก่กรรมนั้นๆปรากฏขึ้นในมโนทวารจุติจิตก็จะเกิดขึ้นคือคือตอนปฏิสนธิเนี่ยมันมาจากจุติจิตพรอจุติปรับเนี่ยมันกลายเป็นปฏิสนธิไลยคือหมายความว่าลักษณะจุติแล้วก็ปฏิสนธิ ตอนตายเนี่ยก็เรียกจุตติตอนเกิด เ, กเรียกปฏิสนธิคือถือกำเนิดแต่ไม่จะเกิดหรอาถือกำเนิดแต่ว่าถ้าเป็นโอปปาติกะนี่ก็ถือว่าเกิดได้นะฮะเพราะว่าท่านก็เป็นตัวเป็นตนนะูตนาาธิสัตไว้ในนิทานวั์สังยุตติกายในความว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลคิดกำหนดเอาใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นอารมณ์ให้วิญญาณดํารงโจ เมื่อลมีอยู่วิญญาณก็ย่อมดำรงอยู่เมื่อวิญญาณนั้นดำรงมั่นงอกงามขึ้นแล้วก็ย่อมมีการเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปเมื่อมีการเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปคือเมื่อวิญญาณนามรูปไวยาทนาภาษาเวทนาแล้วก็ย่อมจะมีชาติมีความเกิดตัวนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะเราจะเห็นว่าพระตถาจารย์ท่านไม่ได้ว่าเ อ, าเอง ท่านก็มาอธิบายขยายคือคล้ายๆกับพระเทพเนี่ยพระเทพเนี่ยเราไม่บ้าเองนะโดยหลักคือใครๆต้องการจะถามที่นี้เอามาจากไหนนี่จะบอกให้ได้แต่เราก็พยายามใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ให้มากเพื่อสามารถสื่อสารติดต่อกันได้แล้วก็ไม่ได้มุ่งสอนมาเองเนี่ยไม่ได้ถือมุ่งสอนใครนะมุ่งอธิบายธรรมะ มุงอธิบายเขาเรียกว่าแสดงนะฮะแสดงชี้แจงอธิบายขยายความอธิบายขยายความของธรรมะเหล่านั้นเป็นลักษณะเพิ่มพูนศรัทธาภาษาะความเชื่อความเรื่องใสประดับปัญญาปรมีของผู้ฟังเนี่ยเป็นประการสําคัญเราก็ทําหน้าที่คล้ายๆก็ราจะทูดอ่านราชสารราชสารรับสั่งว่ายังไงล่ะเราก็อ่านไปตามนั้นน่ยก็ว่าไปตามนั้น่ ประเด็นตรงนี้เป็นการอธิบายระหว่างการเชื่อมจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งมีความชาัดเจนนะฮะพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลคิดกําหนดเอาใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นอารมณ์ให้วิญญาณ น, นั้นดํารงอยู่วิญญาณในที่นี้ก็คือไปสุดที่วิญญาณเนนะี่ยทีนี้เมื่ออารมณ์มีอยู่วิญญาณก็ย่อมดํารงอยู่เมื่อวิญญาณ น, นั้นดํารงมั่นงอกงามขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปมันก็กลายเป็นคตินิมิตคือบังเกิดในภพใหม่แล้วเมื่อมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรล่ะบิน ญ, ญา น, นารูปไวยตนาภาษาปีธาน า, านะฮะ <c oughs> นั้นก็คือชาติเช่นเราในชาติก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ที่มาเนี่ยคือวิชาสังขารบินยานอวิชาสังขาร น, นะฮะสร้างขึ้นมาเป็นบิน ญ, ญาณบิน ญ, ญาณใ น, เ, นเป็นปัจจุบัน ก็เป็นวิญญาณเป็นนามรูปเป็นอายตนาเป็นปัตตะเป็นเบทนาเป็นห้ า, ยาอย่างก็คือชีวิตอ่ะคือชีวิตเราแต่และชีวิตทีเนี้ยย่อมมีชาติคือความเกิดตรงนี้ยเป็นความเกิดเพราะความเกิดก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องมีพร้อมมีวิญญาณมีนามรูปมีอายตนะมีปัตตะมีเวทนาก็แสดงว่าการเกิดนั้นสมบูรณ์แต่ว่าบางพวกนี่เขาสมบูรณ์เลย อย่างเทวดาอย่างพรหมในท่านสมบุรเลยท่านท่านมีวิญญาณนำรูปอายตนาภาษาเวทนาเลยทันทีเดยแต่เราไม่ใช่นะเราเกิดในขันมันก็ต้องรอก่อนพวกเกิดในไข่ก็ต้องรอก่อนดพู้เกิดในของสกปรกเนี่ยก็มีแต่ว่าอย่างว่าแล้วประสิทธิภาพของพระรา ธ, ธาตุรำัดเขาก็ไม่ได้แหลมคมลึกซึ้งอะไรแต่ก็เป็นไปตามสถานภาพของเขาดังนั้นในปฏิจจสมบาทเนี่ย กรรมหลักปฏิจจสมบัทจึงทรงแสดงว่าสังขารเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณและวิญญาณคือวิบากวิญญาณวิญญาณที่เป็นผลแล้วก็กรรมวิญญาณนะวิญญาณที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปหมายความว่ากรรมที่สร้างวิญญาณเนี่ยคือคือกรรมก็คือบุญบาประเด็นชาอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเป็นวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามารูป ประนามรูปก็โตขึ้นมาก็เป็นอาณาักน่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นการศึกษาจากตัวเราแต่ละคนหรือว่ามองเข้าหาข้างในมีการตรวจสอบข้างในว่าเอาก็จริงเนี่ยเราก็เป็นกระบวนการธรรมชาติอคือมันไม่น่าจะเบ่งใหญ่โตมโหัวานอะไรกันแนงหนานะครัพอเสร็จแล้วก็เป็นศพเราก็อยู่ในฐานะเป็นศพเป็นแล้วคนที่เราไปรดน้ําศพเราไปเผาเนี่ยก็คือศพตาย แล้ว่าต่อไปเราก็เป็นศพตายนะฮะศพเป็นก็ไปเผาเราแล้วคนเหล่านั้นก็ตายก็กลายเป็นศพตายก็เปลี่ยนกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระบวนการของชีวิตกระบวนการธรรมชาติธรรมดาองค์ธรรมเหล่านี้วิญญาณเนี่ยมันปรากฏในที่ต่างๆนี่มากเรามีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในจิตเรามีวิถีวิญญาณคือที่รั่วรวมทางประสาททั้งทั้งห้าทั้งหก แล้วก็มีประจิสุที่วิญญาณในขณะเดียวกันเราก็มีวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณก็ที่จริงก็คือชาติภพนั่นแหละแต่ท่านจำแนกไปตามพื้นฐานของกุศลนกุศลที่บุคคลเหล่านั้นก็ทำเอาไว้ก็กลายเป็นวิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดแล้วเมื่อตั้งแล้วก็กลายเป็นภพคือที่อยู่ท่านก็เรียการรตาวา่าก็จาแนกออกไปเป็นเก้าประเภทเดยกัน แต่ถ้าเรียงลำดับเนี่ยเราจะพบว่าบางที S สามสิบเอดพตระเบระดับอันนี้ทำไมจึงมีแค่เก้าคือถ้าเกาะกลุ่มแล้วเนี่ยมันมันจะเป็น9ก้าประเภทกากลุ่มตามลักษณะตามสัญญาตามอะไรอะไรต่างๆก็เป็นรายละเอียดที่จริงมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่เอาเข้อจริงก็เข้าใจยากนะฮะเพราะอะไรเพราะต้องอาศัยสัมผัสตรงคือเราต้องสัมผัสเราต้องพบเห็นด้วยตัวเราเองแต่ว่า เมื่อภูมิจิตภูมิธรรมเราไม่ขึ้นสู่ระดับนั้นก็ยากที่จะทําความกระจายได้แจ้งชัดเจนเพียงแต่ว่านี่คือกระบวนการของชีวิตแล้วก็อยู่ในแวดวงของปั จ, จิยาการหรือปฏิจจสมบตัติและในความเป็นปฏิจจสมบัตินั้นเองมันก็คือชีวิตของเราแต่และชีวิตเรานั้นเป็นพวกปัจจุบัน ในขณะนี้ชีวิตร่างกายเราเนี่ยจะเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันผลคือผลที่มาจากกิเกรรมในอดีตนะแล้วเราก็กำลังทำสร้างปัจจุบันในเหตุดีบ้างไม่ดีบ้างไม่รู้นะฮะมันก็จะเป็นเหตุนําไปสู่สังสารวัติต่อไปก็หมุนวนโดยในอยะหนึ่งลราวต้องฟังทั้งหลาย ไต้รบพระพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี